คอลัมน์เทียววัดตอนวัดป่าสุขโตโดยมูลเมื่อเดือนสิงหาคม2549จากการแนะนำของอีกิมหรือประนอมเตโชพาศเราได้มีโอกาสไปวิปัสนาที่วัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิร่วมกับกลุ่มของคุณหมอกมพลซึ่งเป็นกลุ่มหมอและพยาบาลจากสุขโขทยัยแนวทางการวิปัสนาเป็นการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียน ซึ่งอีกิมได้เคยพูดให้เราฟังบ่อยๆถึงแนวทางการฝึกแบบเนี้ยเป็นการนั่งสร้างจังหวะและเดินจงกรมเรามองว่าไม่งมงายและปรับเข้ากับชีวิตประจำวันได้จึงตัดสินใจเข้าร่วมทั้ง8วันต้องขอแนะนำวัดป่าสุขโตก่อนวัดนี้อยู่ที่ตำบลท่ามะไฟหวานแก่งครอจังหวัดชัยภูมิมีหลวงพ่อคาเขียนสุวรรณโนซึ่งขณะนี้อาพาธอยู่กาลังพักฟื้น เป็นผู้ที่ดูแลวัดนี้และวัดในเครือมีหลวงพ่อภัยสารวิสาโลเป็นเจ้าอาวาสพื้นที่ส่วนใหญ่ในวัดนี้เป็นป่ามีสระบัวใหญ่ซึ่งบัวกำลังบานอย่างสวยงามในวัดก็มีบรรยากาศร่มรื่นประกอบด้วยหอฉันหอไตรซึ่งใช้เป็นที่ทําวัดและกุฏิกระจายอยู่ทั่วไปสุดรั้วจะเป็นเชิงตะกรเผาศพเราชอบระบบการจัดการทรัพยากรในวัดนี้มาก ถือได้ว่าเป็นวัดที่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดยอาศัยทรัพยากรจากภายนอกน้อยมากฝนตกก็รองน้ำไว้ใช้มีถังเก็บน้าฝนกระจายอยู่ทั่ววัดในวัดมีสมุนไพรต้นไม้และพืชผักซึ่งแทบไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากภายนอกเลยนอกจากไฟฟ้าการก่อสร้างเช่นกำแพงวัดหรือกุฏิพระกับชาวบ้านก็ช่วยกันก่อสร้างไปถึงวัดประมาณเที่ยง ได้กุติที่พักแล้วก็ไปกราบพระอาจารย์ชื่อพระอาจารย์ทรงศีลเป็นพระอาจารย์ที่จะเป็นผู้อบรมกลุ่มพวกเราตลอดเจ็วันพระอาจารย์ก็ประทมนิเทศพวกเราก่อนบอกสูตรว่าใจมีสติอยู่กับกายเท่ากับปกติหรือศีลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องปฏิบัติระหว่างอยู่ที่นี่ก็คือทำใจเราให้มีสติรู้อยู่กับกาย ซึ่งจะทำให้ใจของเราอยู่ในลักษณะที่ปกติดีใจก็ไม่ฟุ้งไปเครียดก็ไม่รู้สึกจิตตกไปสิ่งที่ได้ก็คือการเป็นผู้มีศีลตารางเวลาขณะที่อยู่ที่วัดป่าสุขโตก็คือทำวัดเช้าตอนตีสี่หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะเริ่มสอนด้วยการพาเดินรอบวัดอย่างมีสติตอนสายก็เริ่มฝึกวิปัสสนาไปเรื่อย จนถึงสองทุ่มวันแรกๆก็จะมีง่วงเครียดปวดหลังวันแรกถึงกับสับ ป, ปงก ท, งทั้งที่เดินจงกรมอยู่ทีเดียวแต่ในวันหลังๆก็เริ่มทำได้นานขึ้นและมีความรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นพระอาจารย์ทรงศีลเองก็มีวิธีการสอนที่ทำให้สนุกและเข้าใจอาการของพวกเราว่าจะต้องมีง่วงมีเมื่อยก็จะหาเรื่องเล่าที่ตลกแต่มีสาระ และกิจกรรมที่ทำให้แก้ง่วงไปได้สิ่งที่เห็นได้ชัดจากการปฏิบัติคือจิตใจที่สงบเวลานอนถึงเวลานอนสองทุ่มกว่าก็จะหลับล้มตัวลงนอนแล้วหลับได้สนิทไม่มีคิดฟุ้งซ่านหรือนอนไม่หลับรู้สึกตัวตื่นนอนประมาณตีสองกว่ า, วาแต่ด้วยความงกเวลานอนเพราะกลัวจะง่วงตอนกลางวันก็เลยนอนต่อจนถึงตีสามครึ่งเป็นอย่างนี้ทุกคืน ตื่นมาก็รู้สึกจำใสถึงจะมีง่วงบ้างจากการนั่งทำจังหวะก็ยังทนได้หลังจากกลับมาก็ไม่ได้ฝึกต่อจนอีกสองอาทิตย์ให้หลังขับรถไปรับแม่ที่อาสมมาตาที่ปักทงชัยใช้เวลาขับไปประมาณสี่ชั่วโมงเมื่อไหลมากพระอาจารย์ทรงศีลเป็นผู้สอนเราก็ร่วมปฏิบัติช่วงก่อนกลับบ้านด้วยนั่งทำจังหวะโดยทำแบบสบายสบายเอาความรู้สึกไปไว้ที่มือ ปรากฏว่าที่เมื่อไหลยอยู่ก็รู้สึกเบาตอนทําก็รู้สึกเบาสบายสนุกดีเหมือนกันนะถ้าใครมีเวลาว่างสักเจ็วันก็น่าไปหาอะไรดีๆให้กับชีวิตกันนะที่วัดป่าสุขโตเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่หนึ่งสำหรับการวิปัสสนาด้วยตัวบรรยากาศที่สงบของวัดป่าเองและพระอาจารย์หลายท่านที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับทุกคน ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทรงศีลซึ่งสอนพวกเราด้วยความเมตตาและเป็นผู้ให้ที่แท้จริงคุณหมอกำพลผู้จัดวิปัสนาในครั้งนี้และเมตตาให้เราเข้าร่วมด้วยสุดท้ายอี้เราเองที่เป็นผู้แนะนำให้มาวิปัสนาแถมขับรถรับส่งเราไปกลับกรุงเทพชัยภูมิอีกด้วย อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเราะ อ, อะไรต้นโหตุอไรที่ในันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไรเหตุผลได้แต่โทษฟ้า